ทำไมจะไม่ทราบว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือตำหนิติเตียนนั้นมีอยู่กับใครถ้าไม่อยู่กับพวกเราที่มีกิเลสนี้นะแต่เมื่ออยู่กับพวกเราแล้วเราทำไมว่าไม่ทราบว่าอันไหนเป็นกิเลสถ้าทราบว่าอันนั้นอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสเป็นภัยเขาจะต้องมีความกลัวมีความขายาขยแง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 ทําหรักผู้ปฏิบัตินั้นๆเอาพราะนั้นพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ่นห่อภ า, านจิตใจนี้ออกอะไรมาปกคลุมกว่าความยึดมั่นถือมั่นความสำ ค, คัญผิดของตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคลุมจิตใจแะเองความสำคัญมั่นหมายความถิดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใด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 ในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดซึ้นสุดไปจากใจขม้าใจรักภาในใจจริงหมดไปเรื่องอะจังทุกขัตามภายนอกก็ตามภายในก็ตามตามรูปเสียงกลิ่นรสกลองทั้งหดรูปเบชนาสัญญาสังขารมิยังก่ตามหมดปัญหาไปหมดเ<า>มื่อจิตได้พ้นจากสมมุติแล้วอะไรไล่ก็เป็นความจริงไปหมด <M. S 2> ไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลยเพราะใจไม่สร้างปัญหาขึ้นไปกัเอง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 นิพพานังปรมังสุญยังสุญจะสย์ไปเถอะขอให้ทยเสื้อทันสมัยนีเป็นที่พอใจฮะพอใจไหมเอาละเทศตอนนี้ยังตอนนี้เอวัง